รัตนตยปนาหมคาถานั watering, ่ม่ยังรัตนตยปนาหมาคาโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาตัญจาพนามเสโอโตสุตโตกรุณามหานวมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุดห่วงมหันโนบโยนจันตะสุททัพพระยาโลจนโนมพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปะปปกิเลสขาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก วันธามิพุทธังอาหมาทะเรณตงข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือ้อธ ร, รมโมปิปโปวิยตาสัตตุโนพระธรรมของพระศาสนาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทิพ โยมคปากามาตะเพธพินกโกจําแนกประเภทคือมากโภณนิพพานส่วนใดโลกกตโรโยจะตะทัทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกกตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกกตระนั้น วันธามิธรรมมังอาหามาทะเรนตามข้าพระเจ้าไหวพระธรรมนานโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตาสัญญโตพระสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยทิทัสนโตสุขตานุโภธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรสรุตามพระสุโคตโมไดโลลาปะหินโออริโยสุเมทะโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี วันทามีสังขังอาหมาทะเรนตงังข้าพเจ้าไหวาพระสงฆ์โมนานโดยใจเขารบเอื้อเฟือ้ออิจเจวะเมกันตพิโปชนายกังวัดทูตตะยังวันทยตาพิสังขาตางังโอนยังมา ย, ายังมะมะสาปุปัตถาวา มาโหนตุเวตาสัพพาวสิทธิยาบุญได้ที่ข้าพเจ้าผู้ว่ายู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตถวทั้งหลาย จงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตะทะคโตโโลกเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตราสุ้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเทศิตโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปริิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส เ, เป็นไปเพื่อปริิพาน สัมโธทามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุโคตรประกาศมายันตังธรร ม, มังสุตตะวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุฆา แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขา่าแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิดทุกขา้างแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุกข์ขังแม้ความสุขความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความค้าบแขนใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยคโคโทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อภิเยหิวิปโยคโคทุกโค ความพัาดพากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ย่ำปิดชังนลพปติตำปิดทุกข์ังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังกิตเตนะปันจุปาทานคัขันธาทุกขข้าว่าโดยย่อ อุปาทานนักธันทั้งห้าเป็นตัวทุกษา ย, ยาทีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปอุปาทานนัขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือรูปเวทนูุปาทานนัขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่น คือเวทนาสัญญุปาธานนคันโทคานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังคารุปาธานนคันโทคานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาธานนคันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นเือวิญญาณเยสังปริญญาญ า, าเพื่อให้สาวกกำนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองภารมาโนโซภะคะวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมเมื่ อ, อยังทรงพระชนอยู่ เอวังพาหุลังสาวะเกวินติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปปนาสภคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพาหุลาปวัตติติอานหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านาั้น ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งลหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปปางอานิจจังรูปไม่เทียงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เทียงสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เทียงสังขาราอานิจจา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 สังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนางอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงสัพเพธรรมาอนาัตาติตธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ดังนี้เอเมยังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดสารามรณีนาะโดยความแก่และความตาย โสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิโดยความโสกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแคนใจทั้งหลายทุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุก ยังเอาแล้วทุกขประเรตาเป็นผู้มีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวานามินัสเกวลาสทุกขคันทัสาอันกิริยาปัญญาเยธาติทมชนายการทมที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ จะเพื่อปรากฏชัิแก่เราได้เจริปริเนพุตตมิตัมะควันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นานศัทธาอาคาราสมาอนคาริยปปาชชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบววจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงพระขวัติพระมจริยงจรามาประเพิยูยซึ่งพรหมจา ร, ร ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองคน์นั้นเอกโคหนั ง, นนงสิกขาสัชีวะสมาปันานะถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตางโลพระมจริยังอิมาสเกวลาสทุข ข, ขันทัสะอันตกิริยายสังวัตโต ขอให้พรหมาจารย์ของเราทั้งหลายนานจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถินจิระปริณิพุตตัมปิ ต, ตังภะควันตังสารังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปริณิพานานานแล้ว พระองค์นั้นเป็นสรณะธรามันจะสังคันจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตาสาบพะคะวะตสศาสนาญาถาสติยธาพระลังมนสิกโรมอนุปฏิปัจชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสนโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวลาสทุกขคันทสสอันตะกิริยายาสังวัตโต จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิด